ยานวิเศษจากอดีตชาติผลงานของอรศสานนน EP ที่1คํานคำนำเมื่อครั้งที่เรื่องยานวิเศษจากอดีตชาติได้ลงในนิตยสารโลกลี้ลับนั้นการดำเนินเรื่องชวนให้ติดตามและเป็นที่สนใจผู้อ่านมักจะโทรศัพท์มาที่สำนักงานอยู่เสมอเพื่อจะขอที่ติดต่อผู้เขียนหรือชมเชยเรื่องราว และเมื่อเรื่องราวได้ลงอย่างต่อเนื่องจบลงคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะรวมเล่มละ่ะก็ตามมาอาจจะล่าช้าไปสักนิดแต่ก็เชื่อว่ายังอยู่ในความสนใจของผู้อ่านเสมอหายากนักสำหรับบุคคลที่มียารรู้เห็นเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรื่องที่รู้เห็นมักจะเป็นจริงทุกครั้งไม่เคยพลาดตัวผู้เขียนเอง ทีแรกก็ไม่ค่อยแน่ใจนักในยานของตัวเองแต่เมื่อประสบบ่อยๆก็ชักจะเอะใจจนกลายเป็นความมั่นใจและในความมั่นใจอันนั้นก็ได้ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์นอกจากจะช่วยตัวเธอเองแล้วเธอก็ได้ช่วยเหลือผู้คนใกล้ชิดที่เธอทราบเรื่องของเขาและคอยตักเตือนอยู่เสมอๆถ้าเรื่องร้ายก็อาจกลายเป็นเบาได้เรื่องเร่าร้อนใจก็คลายไป และในการรวมเล่มครั้งนี้ทางสำนักพิมพ์มั่นใจว่านอกจากผู้อ่านจะได้อ่านเรื่องจริงที่สนุกสนานชวนติดตามแล้วคงจะได้สารประโยชน์ที่น่าสนใจจากการอ่านครั้งนี้ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้ก็จักยินดีและขอบคุณเป็นอันมากขอได้รับความขอบคุณจากคณะผู้จัดทำจากผู้เขียนในที่สุดการรวมเล่มของเรื่องยามวิเศษจากอดีตชาติก็ได้เป็นผลสำเร็จ ให้ท่านผู้อ่านและผู้ที่สนใจที่เรียกร้องให้รวมเล่มได้มาอยู่ในมือของท่านณนะบัด น, นี้แล้วข้าพเจ้าอยากจะขอเล่าถึงความเป็นมาของเรื่องย่านวิเศษจากอดีตชาตินี้สักหน่อยเริ่มแรกทีเดียวหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พบได้เห็นเหตุการณ์แปลกๆทางจิตก็ดีทางนิมิตไปก็ดีการรู้ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ดีบ่อยๆเข้าจึงได้บันทึกเอาไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้รู้ว่าแม่ของลูกยายของหลานและทวดของเหลนนั้นสามารถล่วงรู้ในเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องและเมื่อนิมิตสิ่งไรสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นเป็นนิจสินด้วยประสงค์นอกจากนี้คือตั้งใจไว้ว่าถ้าขบาจาวล่วงลับไปก็จะสั่งให้ลูกหลานพิมพ์หนังสือออกแจกในงานแต่ข้อความคงไม่ยาวมากมายขนาดนี้แต่สิ่งที่วาดไว้กลับเปลี่ยนไปโดยไม่คิดฝัน คืนวันหนึ่งเพื่อนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสาวๆไดมาหาที่บ้านพร้อมทั้งลูกสาวซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและเป็นนักเขียนมีชื่อด้วยเพื่อนข้าพเจ้าคนนี้เธอทราบดีถึงยานประหลาดของข้าพเจ้ามานานแล้วเธอมาหาวันนี้ก็เพราะบุรสาวเธอต้องการจะเอาเทปมาอัดเรื่องราวจากปากของข้าพเจ้าแต่พอได้อ่านบันทึกของข้าพเจ้าเข้าก็เลยเปลี่ยนใจและพูดว่า เรื่องวิเศษอย่างนี้ไม่ควรให้ตายไปกับตัวควรจะนำลงพิมพ์ให้สู่สายตาประชาชนเพื่อเป็นวิทยาทานตอนแรกข้าพเจ้าปฏิเสธแต่เมื่อทั้งสองคนช่วยกันชี้เหตุผลหลายๆอย่างข้าพเจ้าจึงยอมมอบบันทึกนั้นให้ต่อมาเพียงไม่กี่วันก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้เป็นบุตรสาวว่าจะนำมาลงในนิตยสารโลกลี้ลับตกลงจะลงที่แห่งนี้ และข้าพเจ้าจะต้องส่งต้นฉบับติดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเรื่องและเนื่องด้วยเหตุนี้ยานวิเศษจากอดีตชาติจึงได้เกิดขึ้นตามที่ท่านได้ผ่านพบมาโดยตลอดเมื่อเรื่องนี้จบลงก็ได้ถูกเรียกร้องให้รวมเล่มเพราะยังมีอีกมากมายหลายท่านที่มิได้อ่านมาตั้งแต่เล่มแรกจึงสนใจอยากจะได้ไว้ทั้งหมดในที่สุดก็จบลงด้วยการรวมเล่มเป็นผลสาเร็จลงด้วยประการชนิด อนนเรื่องทั้งหมดนี้ได้เขียนขึ้นมาจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งสิน้นและมิได้มีเจตนาจะโอ้อวดตัวเองแต่ประการใดไม่ขอได้โปรดรับทราบเจตนาและเข้าใจตามนี้ด้วยจะขอบคุณมากอรษานนตอนเริ่มตน้นเรื่องราวต่างๆที่ฉันได้บันทึกต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งสิน้น โดยผู้เกี่ยวข้องบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็มีบางท่านที่ถึงแก่กรรมไปบ้างแล้วฉันได้พยายามสอบถามต่อผู้ที่รอบรู้และเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาตลอดว่ามันเกิดจากอะไรและทําไมจึงเป็นเช่นนี้แต่คำตอบที่ได้รับส่วนมากก็จะคล้ายคลึงกันหากยังไม่กระจ่างแจ้งถึงขนาดให้หมดความสงสัยอย่างไรก็ดีขอยืนยันว่ามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นทั้งสิน้น มีได้แต่งเติมเลยกลับอาจจะขาดตกบกพล่องไปบ้างด้วยซ้ำเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมานับสิบสิ บ, สบปีแล้วฉันเป็นบุตรของพันตำรวจโทรพระนรุบาลบุรีรัตน์คุณแม่พวงนามสกุลเดิมรามโกมุตเป็นบุตรคนกลางมีพี่สาวสองคนมีน้องชายและน้องสาวอย่างละคนคุณแม่เล่า ว, ว่าเมื่อคุณแม่ตั้งท้องฉันคุณแม่ฝันว่า ได้พระพุทธรูปสำลิศเวลาแพ้ท้องก็กินแต่มะพร้าวอ่อนกับทองใบโดยเอาทองแท่งมาฝนกับหินบดยาแล้วเอามีดบางกรีดผงทองลงในน้ำมะพร้าวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในท้องคุณแม่เล่า ว, ว่าไม่เคยแตะอาหารขาวเลยทานข้าวกับผลไม้สุกเป็นประจำจนคลอดและนึกแน่ใจเหลือเกินว่าลูกคนนี้จะต้องเป็นผู้ชายซึ่งคุณแม่อยากได้มาก และต้องเป็นผู้ที่มาจากผู้ดีมาเกิดแต่เมื่อครบกำหนดคลอดกลับผิดคาดกลายเป็นผู้หญิงคุณแม่ถึงกับเป็นลมทันทีที่รู้ว่าไม่ใช่ผู้ชายคุณพ่อมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อฟืนคุณอาฟืนเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่แถวถนนบ้านพานถมคุณอาฟืนเป็นคนธรรมะธรรมโมอาทิตย์หนึ่งจะมาเยี่ยมคุณพ่อฉันครั้งหนึ่งวันหนึ่งคุณอาถามฉันว่า เวลาจะนอนสวดมนต์หรือเปล่าฉันก็ตอบว่าไม่เคยสวดเลยเพราะไม่มีใครสอนคุณอาก็บอกอยากสวดมนต์เป็นไหมถ้าอยากก็จะสอนให้แต่ต้องสัญญานะว่าจะสวดเป็นประจำเพราะเป็นคาถาป้องกันพูดผีและภัยอันตรายต่างๆฉันก็รับคำด้วยความดีใจตอนนั้นจำได้ว่าอายุได้สิบเอ็ดปีคุณอาก็สอนคาถาให้สามบท ก็ท่องจนขึ้นใจและนับจากวันนั้นจนวันนี้ไม่เคยละเว้นที่จะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเลยแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายสิบปีแล้วก็ตามนอกจากนี้ยังสวดพระคาถาชิ น, นบัญชรรับศีลห้านั่งสมาธิเพิ่มเติมอีกด้วยตอนจิตนั้นศักดิ์สิทธิ์เหตุการณ์อะไรอะไรที่เกิดขึ้นจากอายุ11จนแต่งงานมิได้จดจำไว้ จนมีบุตรหญิงคนหนึ่งช่วงนั้นคุณพ่อได้ลาออกจากราชการไปใช้ชีวิตอยู่ในที่ดิน300ไร่ติดถนนใหญ่ที่หน้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือปากน้ำทุกๆอาทิตย์ฉันจะต้องพาลูกซึ่งยังเล็กอยู่ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เป็นประจำวันนั้นเป็นวันที่ได้ยินเรื่องแปลกประหลาดอายุได้22ปีเรื่องหนึ่งเมื่อไปถึงบ้านคุณพ่อเด็กคนใช้ก็บอกว่า คุณพ่อกำลังคุยอยู่กับพระที่ห้องพระก็เลยยังไม่ขึ้นไปพบคุณพ่อคุณแม่แต่เดินจูงลูกสาวไปเดินเล่นอยู่ที่สนามหน้าบ้านบ้านคุณพ่อปลูกแบบบ้านโบราณเลื่อนฝากระดานสามหลังแฝดมีประตูทะลุมองเห็นตลอดตรงกันตั้งแต่ห้องพระจนถึงหน้าบ้านขณะนั้นก็มีเด็กคนใช้มาบอกว่าคุณพ่อเรียกพอขึ้นไปถึงห้องพระ เห็นพระรูปหนึ่งอ้วนขาวรูปร่างใหญ่โตมากนั่งจ้องอยู่จึงก้มลงกราบพอเงยหน้าขึ้นพระรูปนั้นท่านก็ชี้มือมาที่ฉันและพูดเสียงกังวาลว่าอีหนูเอ็งฟังปู่ให้ดีนะปากของเอ็งนะ่ะท่องคาถาก็ขลังแช่งคนก็เป็นไปตามปากจิตของเอ็งก็แช่งคนได้เอ็งระวังนะ ถ้าลูกผัวพ่อแม่หรือคนที่เองรักเขาไปนอกบ้านแล้วผิดเวลาเองอย่าได้คิดถึงห่วงเขาเป็นอันขาดเพราะทุกครั้งที่เองคิดถึงเขาเองจะคิดแต่ว่าที่เขาหายไปนี้เขาไปได้รับอันตรายต่างๆและถ้าเองคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ทุกครั้งก็ถือเป็นการแช่งเขาทางจิตนั่นเองแล้วมันก็จะเป็นไปตามจิตเอง ขณะนั้นฉันคงจะยังอายุน้อยเกินไปและไม่มีความสนใจในเรื่องทางนี้จึงฟังเข้าหูซ้ายผ่านไปหูขวาแล้วก็ลืมวันนั้นท่านยังได้เอาดินสอจิ้มน้ำมันอะไรไม่ทราบมาจิ้มให้ฉันแล้วท่านก็เป่าให้ขณะที่ท่านเป่าไปเขียนไปนั้นจําได้ว่ารู้สึกหนาวหนาวพิกลฉันมารู้ทีหลังว่าท่านคือหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอบมีอภิิหารมาก คนรุ่นเก่าๆจะรู้ถึงกิตติศัพท์ท่านดีครอบครัวฉันกับครอบครัวท่านจอมพลปพิบูลสงครามชอบพอกันมากลูกสาวฉันกับลูกสาวท่านก็เรียนที่โรงเรียนมาแต่ดีอีเป็นเพื่อนกันมาตอนที่ลูกสาวเรียนอยู่โรงเรียนมาแตดี DE นั้นอายุได้15ปีฉันได้ให้สัญญากับลูกว่าถ้าเขาสอบได้ระหว่างที่ 1-10 ถึงก็จะพาไปหัวหินวันหนึ่ง หลังจากเลิกจากโรงเรียนลูกกลับมาบอกว่าบ้านท่านจอมพลปอจะไปพักแรมที่บ้านไกลกังวลท่านผู้หญิงขอให้ฉันไปเป็นเพื่อนลูกๆด้วยฉันก็ตอบรับตกลงทันทีเพราะได้สัญญากับลูกสาวไว้แล้วแต่หลังจากรับปากลูกกับท่านจอมพลปอแล้วพาอจัดของลงกระเป๋าเดินทางก็บังเกิดอาการรู้สึกที่แปลกประหลาดคือใจหายเหมือนเราจะเสียใครที่เป็นที่รัก แล้วจะไม่ได้กลับมาพบกันอีกยิ่งคิดต่อไปก็ยิ่งรู้สึกมากขึ้นจนจะร้องไห้โดยหาสาเหตุไม่พบจึงหยุดนิ่งเฉยๆแล้วพยายามลำดับจิตถึงทุกๆคนที่รักใครชอบพอตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ลูกพี่น้องก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆแต่พอมาถึงสามีจิตก็วาบหายอะไรอาวร อ, อย่างหนัก เกิดมาไม่เคยพบความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยเมื่อรู้สึกตัวแล้วว่าอ้อนี่เราห่วงสามีเท่านั้นเองแต่เราจะไปเพียงสามวันคือไปส่งลูกให้อยู่กับครอบครัวของท่านจอมพลปอแล้วก็จะกลับแต่ทําไมถึงรู้สึกใจหายอย่างนี้ขณะนั้นจิตก็บอกว่าอย่าไปเลยฝากลูกไปก็แล้วกันท่านผู้หญิงคงไม่ว่าอะไรค่าวันนั้นพอทานข้าวเสร็จ ก็ขับรถออกไปกับลูกสาวไปที่บ้านท่านจอมพลปอเอารถไปจอดนอกรั้วแล้วปล่อยให้ลูกสาวเข้าไปเรียนท่านว่าคุณแม่ไปไม่ได้เพราะคุณพ่อมีธุระกับคุณแม่ให้ลูกสาวเรียนท่านอย่างนี้แล้วก็นั่งคอยอยู่ในรถรอลูกอยู่ยุงก็มาลุมกัดจนทนไม่ไหวจึงเปิดประตูรถเดินเข้าไปจะไปตามลูกพอดีท่านผู้หญิงโผล่หน้ามาอยู่ที่ระเบียงบ้านส่งเสียงลงมาว่า อ้าวคุณนาะซึ่งท่านเรียกตามลูกๆท่านทําไมถึงจะไม่ไปล่ะคะบุกตั๋วรถไฟทั้งคู่ไปเรียบร้อยแล้วจะขออาศัยช่วยเป็นเพื่อนอาชั้นซึ่งเป็นแม่บ้านและเลขาท่านผู้หญิงด้วยช่วยกันคุ้มเด็กๆหน่อยไม่ไปไม่ได้นะคะขอร้องหมดทางหลีกเลี่ยงจําใจต้องรับคําวันนั้นลาท่านผู้หญิงกลับบ้านด้วยความไม่สบายใจอย่างยิ่งพอกลับมาถึงบ้านก็บอกสามีว่าไม่อยากไปเลย แต่โดนไม้นี้ลงท่านผู้หญิงขอร้องเองอย่างนี้ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงแต่แม่ไปสามวันเท่านั้นล่ะพ่อพอส่งลูกเข้าที่แล้วก็จะรีบกลับลุงึ้นตอนเย็นวันพฤหัสก่อนหน้าวันเดินทางหนึ่งวันเราสามคนพ่อแม่ลูกออกไปนั่งเล่นที่เทเรสหรือลานกว้างหน้าบ้านอยู่ๆสามีก็ถามว่าแม่ไม่ไปหัวหินไม่ได้หรือข้าพเจ้าก็บอกว่า พ่อห้ามสิแม่จะได้ไม่ต้องพูดโกหกว่าไม่ไปเพราะพ่อห้ามสามีกลับตอบว่าไม่ห้ามหรอกแล้วก็นิ่งไปสักครู่ก็พูดขึ้นมาว่าแม่ไปคราวนี้ไม่กลัวใครเข้ามาเอาพ่อไปจากแม่หรือได้ยินดังนั้นก็เอื้อมมือไปจับมือสามีแล้วตอบว่าแม่ไม่กลัวหรอกถ้าใครเอาพ่อไปแม่กลับมาจะตามพ่อกลับคืน ขณะนั้นที่หูข้างขวาได้ยินเสียงกระซิบว่าจำไว้นะจำอิริยาบถขณะนี้ไว้เพราะจะไม่เกิดขึ้นอีกรู้สึกตกใจและแปลกใจมากเสียงที่ได้ยินชัดมากเป็นครั้งแรกที่ได้รับและได้ยินแต่ก็ไม่ได้บอกเล่าให้สามีฟังแต่เกิดความรู้สึกกังวลลึกๆบอกไม่ถูกได้แต่ตั้งคำถามแก่ใจตัวเองเงียบๆว่านี่มันอะไรกันเสียงใคร แล้วทำไมมาบอกอย่างนี้ทำไมเราจะไม่ได้พบเหตุการณ์อย่างนี้อีกล้วนแต่หาคำตอบเองไม่ได้ทั้งนั้นรุ่งขึ้นรู้สึกตัวตื่นเพราะสามีปลุกเวลาประมาณตีห้าจำได้ว่าขณะที่ลืมตาขึ้นมานั้นสามีกอดข้าพเจ้าอยู่ลืมเรื่องเมื่อวานไปชั่วคราวใจก็มุ่งแต่จะลุกขึ้นไปจัดของกินที่จะนำไปด้วยและลงไปสั่งการกับแม่บ้าน แล้วกลับขึ้นมาเข้าห้องน้ำออกมาแต่งตัวที่หน้าตู้เสื้อผ้าสามียืนรออยู่พอแต่งตัวเสร็จก็ดึงตัวไปกอดไว้แนบอกกอดนิ่งและนานจนแปลกใจและรู้สึกขำที่เราอยู่กันมาจนลูกโตเป็นสาวอยู่ๆก็มาทำยังกะจะจากกันไปเลยจําได้ว่าหัวเราะแล้วจูบที่อกสามีแล้วก็พละออกบอกว่าไปเทอพ่อเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟไม่ทัน สมัยนั้นจะไปหัวหินจะต้องไปขึ้นรถไฟที่สถานีบางกอกน้อยสามีก็เดินตามลงไปขึ้นรถให้คนขับรถขับออกไปตลอดทางสามีนั่งนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยเมื่อพูดอะไรด้วยก็ได้แต่อืออ อ, ออ่อตอนนั้นฉันยังไม่รู้สึกผิดปกติอะไรจนถึงสถานีก็ชุลมุนยกของเข้าชานชาลา พี่ชั้นเลขาท่านผู้หญิงพร้อมลูกๆท่านจอมพลปอไปถึงก่อนแล้วและกำลังจัดของเข้าที่อยู่บนรถไฟซึ่งบุกไว้ทั้งตู้ฉั้นก็บงการให้คนรถคนใช้เอาของขึ้นรถไฟลืมสามีไปชั่วขณะจนเสร็จก็โผล่หน้ามองหาสามีเห็นยือนอยู่ข้างล่างตรงหน้าต่างนั้นพอดีเกิดความรู้สึกประหลาดแปลกขึ้นที่หัวใจเป็นความรู้สึกห่วงกังวลอย่างบอกไม่ถูก โผล่หน้าออกไปที่หน้าต่างบอกว่าพ่อระหว่างที่แม่ไม่อยู่สามวันนี้พ่ออย่าเดินทางไปไหนนะสามีก็ตอบว่าบางทีจะไปบางแสนกับโชดโชดที่พูดถึงนี้คือคุณโชดคณะเกษมเพื่อนนักเรียนด้วยกันรักกันมากทั้งสองครอบครัวเราสนิทกันมากฉันก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปนะอย่าไปให้แม่กลับมาก่อนแล้วค่อยไปด้วยกันได้ยินไหมรับปากสิพ่อ สามีไม่รับปากยืนเม่อเม่อซึมซึมอย่างไรบอกไม่ถูกคางลูกสาวก็เกิดแปลกมาบอกว่าคุณแม่คุณแม่หนูอยากลงไปกราบพ่อที่ตัวพ่อฉันก็บอกว่าเอ้าลงไปซี่เร็วเร็วเดี๋ยวรถจะออกแล้วลูกสาวก็รีบจำข้ามหีบห่อซึ่งยังวางระเกะระกะอยู่ลงไปกราบพ่อที่อกแล้วยืนหน้าขึ้นจูบคางพ่อทีหนึ่งพ่อก็ยิ้มนิดหน่อยเอามือตบหัวลูกสาวผังไล่ให้ขึ้นรถ ตอนรถเคลื่อนฉันจับตามองสามีจนสุดสายตาสามียืนไม่กระดิกเหมือนคนใจลอยนั่นเป็นการเห็นกันเป็นครั้งสุดท้ายของเราวันนั้นเป็นวันศุกร์ที่20เมษายนพศ2อ9 4สอคณะของเราถึงวังไกลกังวลก็เย็นแล้วเราพักที่เรือนรับรองรู้สึกสดชื่นกับอากาศทะเลและมีความสุขที่เห็นลูกสนุกสนาน ลืมความรู้สึกกังวลปนเศร้าตอนแรกไปซัสนิทจนเช้าวันเสาร์เราก็เดินทางไปที่โรงแรมรถไฟจำได้ว่าเป็นห้อ ง, ห, องห้องใหญ่อยู่ชั้นบนไปทานอาหารและนั่งเล่นไพ่กันที่นั่นนั่งได้สักครู่เดียวพอนาฬิกาตีบอกเวลา9้าโมงเช้าก็เกิดความรู้สึกประหลาดขึ้นกับใจอย่างแรงอาการนี้เหมือนคนจะตกจากที่สูง ใจหล่นจากตัววาบวาบมือเย็นเฉียบนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้มีอาการคล้ายจะเป็นลมใจก็หายวาบวาบและบางครั้งก็รู้สึกใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงจึงลุกจากวงไพ่ออกมานั่งหอบอยากจะร้องไห้ก็อยากอาการบอกไม่ถูกลองดำดับจิตนิ่งๆส่งไปตามบรรดาพ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงพอมาถึงสามี โอโห่เกิดมาก็เพิ่งเคยพบทันทีที่ส่งจิตถึงสามีฉันเกิดกระแสเหมือนโดนไฟช็อตอย่างแรงมากๆขณะเดียวกันก็รู้สึกใจหายเศร้าคิดถึงอย่างบอกไม่ถูกขณะนั่งนิ่งอยู่คนเดียวบนเก้าอี้พี่ฉันก็ลุกขึ้นมาหาถามอย่างตกใจเอ๊ะคุณน้าเป็นอะไรนะ่ะหน้าซีดๆจะเป็นลมหรือเปล่าอย่าลมีนะกินซะเถอะฉันจึงพูดออกมาแบบจำเสียงตัวเองไม่ได้ว่า ไม่ทราบเป็นอะไรคะ่ะคิดถึงคุณสามีเหลือเกินใจไม่สบายเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรพี่ฉันกลับเห็นเป็นเรื่องขำย่างล้อว่ารักกันจริงนะอยู่กันจนลูกโตเป็นสาวแล้วจากกันวันเดียวเท่านั้นคิดถึงกันแล้วแล้วก็หัวเราะแต่ฉันก็พูดไม่ออกได้แต่นั่งนิ่งใจเต้นแรงถี่ยิบเปรี้ยไปหมดทั้งตัวแต่ช่างประหลาดที่สุด พอเวลาเลยผ่านไปสัก40กว่านาทีอาการเหล่านี้หายไปเป็นปิดทิ้งไม่เหลือร่องรอยเศ่าสร้อยอะไรไว้เลยจึงกลับมาร่วมวงเล่นไพ่ต่อจนถึงเย็นทานอาหารแล้วจึงกลับที่พักการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ทำให้ลืมอาการรู้สึกที่ประหลาดเมื่อตอนเช้าไปหมดสิน้นเรานั่งบ้างนอนบ้างคุยกันสารพัดเรื่องเด็กๆ ก, ก็มีเกมอะไรเล่นกันตามวัยของเขา จนได้เวลาต่างก็แยกย้ายกันเข้านอนก่อนนอนก็นั่งสวดมนต์ตามที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ล้มตัวลงนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับอย่างง่ายดายตื่นขึ้นมาตอนเช้าประมาณ7จ็ดมงได้ก็เข้าห้องน้ําตั้งใจจะอาบน้ําเสียหน่อยเพราะประเดี๋ยวก็จะไปโรงแรมตามเคยขณะที่กําลังแปลงฟันอยู่นั้นลูกสาวก็มาตบประตูตะโกนบอกว่า คุณแม่คะมีโทรเลขมาจากกรุงเทพฉันก็ตอบไปว่าคงเป็นพ่อเราอีกนั่นแหละสามีเป็นคนแปลกอยู่อย่างตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะไปไหนพอแกคิดถึงอยากให้กลับเป็นต้องโทรเลขเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อให้กลับทุกทีสิเปิดอ่านออกสิลูกสาวเปิดอ่านดังๆบอกว่าสามีเจ็บหนักกลับบ้านด่วนได้ถามลูกว่า ใครผู้ส่งชื่อใครลูกสาวตอบว่าคุณป้าคะ่ะพอได้ยินเท่านั้นใจหายตกใจมากหาประตูออกจากห้องน้าไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ประตูก็อยู่ตรงใกล้ตัวพอออกมาทุกคนก็พากันตกใจพี่ชั้นก็สั่งการทันทีให้ทหารที่ติดตามเอารถออกไปซื้อตั๋วเครื่องบินในสมัยนั้นในฤดูตากอากาศเขาจะมีเครื่องบินเล็กๆบริการจอด ขึ้นและลงที่สนามบินบอรไฟายตกลงเราสามคนฉันลูกสาวและหลานสาวก็นั่งเครื่องบินกลับกินเวลาเพียง35นาทีก็มาถึงกรุงเทพแล้วก็นั่งรถเปอโย ก, ก้นแหลมจากดอนเมืองมาส่งถึงบ้านจำได้แม่นยำว่าตอนหยิบเสื้อมาใส่ตอนจะไปขึ้นเครื่องบินที่หูบอกว่าอย่าใส่เสื้อสีฉูดฉาดนะ เผอเอินมีชุดสีเทาอยู่ก็เลยใส่มาตอนที่อยู่บนรถเปอโยขับมาอย่างเร็วผ่านวังสะประทุมสมัยนั้นรอบวังยังมีคลองเห็นรถยนต์คันหนึ่งตกลงไปตะแคงอยู่ริมคลองจิตและหูก็บอกทันทีว่าสามีตายแล้วเพราะรถควม่มขาบพเจ้านั่งตัวแข็งจะร้องไห้ก็อายคนขับรถพอถึงบ้าน จำได้ว่าทั้งหน้าบ้านทั้งในสนามรถจอดแน่นไปหมดสั่นไปหมดนึกโกรธตัวเองที่ทิ้งสามีไปดูหรือเพื่อนฝูงเข้ามาเยี่ยมกันแน่นบ้านเราเป็นเมียกลับไม่อยู่ซะนี่พอต้องเป็นมากทีเดียวไมงั้นคนคงไม่มาเยี่ยมกันมากอย่างนี้วันที่กลับเป็นวันอาทิตย์ที่22เมษายนพอรถจอดก็ลงวิ่งเข้าไปในบ้าน ขณะนั้นมองไม่เห็นเลยว่าในบ้านมีคนแต่งดำเต็มไปหมดใจมุ่งแต่จะไปหาสามีคุณพ่อยืนรออยู่ห้องโถงพอเห็นคุณพ่อฉันก็ถามหาสามีว่าเป็นอะไรคุณพ่อน้ำตาไหลและตอบว่าเสียเสียแล้วล่ะลูกจำได้ว่าพอได้ยินคานี้เท่านั้นก็ล้มตึงสลบไปเลยเมื่อฟื้นแล้วก็เฝ้าแต่ร้องไห้แล้วก็หมดสติอีก สลับกันอยู่อย่างนี้จนรู้สึกเหมือนใจจะขาดใครไม่ทราบได้ตามหมอมาฉีดยาบำรุงหัวใจให้พอฟื้นและพอมีสติก็จะไปหาสามีคุณพ่อก็บอกว่าได้จัดการฉีดยาแล้วเอาลงลงก่อนหน้าฉันจะมาถึงบ้านเพียงหนาทีเท่านั้นเพราะไม่รู้ว่ามีเครื่องบินที่กลับได้คิดว่าต้องนั่งรถไฟกลับกว่าจะถึงก็คำ่ำเพราะสามีเสียตั้งแต่เช้าวันเสาร์ คุณโชต์คุณณเกษมได้มาปลอบและเล่าให้ฟังว่าเช้าวันเสาร์ประมาณเจดโมงได้แวะมาที่บ้านมาชวนสามีฉันไปบางแสนเพื่อไปเก็บเงินค่าบังกะโลแสนสบายซึ่งเรามีหุ้นกันอยู่ตอนแรกสามีก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าซื้อตั๋วมวยนัดพิเศษไว้นัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปดูกันบ่ายนี้หมายถึงเสาร์วันนั้นคุณโชตก็จำใจไม่กล้าเสาสี จนคุณโชต์เดินลงบันไดไปได้หน่อยแล้วสามีก็ร้องถามว่าแล้วโชต์จะไปกับใครละ่ะคุณโชต์ก็ตอบว่าไม่มีหลอกจะไปกับติว๋วต่อยหมายถึงลูกสาวกับลูกชายสามีนิ่งคิดสักครู่นึกยังไงไม่ทราบก็บอกว่างั้นรอเดี๋ยวนะอาบน้ําก่อนจะไปด้วยคุณโชต์เป็นคนขับสามีนั่งคู่ไปข้างหน้าส่วนข้างหลังก็มีคนรถติว๋ว ตอยตอนนั้นเกือบจะถึงสะพานเทพหัสดินสะพานข้าแม่น้ำบางปะกงแล้วสามีได้บอกกับคุณโชติว่าพอถึงสะพานขอหยุดดูหน่อยนะฝีมือเพื่อนเราสร้างอยากจะดูสักหน่อยพอพูดขาดคำเสียงยางรถระเบิดดังปังรถกำลังวิ่งอย่างเร็วก็สายไปสายมาแล้วก็ปะทะกองหินข้างทางคว่าลงต่างก็กระเด็นกันไปคนละทิศละทาง พอลุกขึ้นได้ตามก็มองหาสามีชั้นเห็นฟุบอยู่ห่างรถมากกำลังพยายามยันกายลุกขึ้นเด็กๆ ก, กับคุณโชธพร้อมคนรถก็วิ่งไปช่วยดึงให้ลุกขึ้นยืนแต่สามียืนไม่อยู่บอกเจ็บขาซ้ายมากเสื้อกางเกงเปื้อนฝุ่นสามีก็เอามือปัดเพราะแต่งสีขาวทั้งชุดในที่สุดก็ตัดสินใจเดินทางต่อเพราะใกล้ไปทางโน้นแล้วจะได้รีบไปหาหมอเร็วๆ คุณโชตเล่าว่าได้นั่งรถสองแถวกันไปเพราะรถคว่มใช้การไม่ได้แล้วสามีนั่งพิงคุณโชตไปตลอดทางพอถึงสะพานเทพัสดินยังชะเง้อดูแต่อาการชักไม่ดีแล้วพอเข้าเมืองชนก็รีบพาไปที่คลินิกหมอคนหนึ่งหมอก็รีบตรวจและบอกว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ควรจะรีบไปโรงพยาบาลระหว่างที่รอรถพยาบาลมารับ อเออลูกน้องของสามีรู้เรื่องก็ไปอยู่ใกลๆตอนนั้นเป็นเวลา9ก้าโมงเ้าสามีได้พูดกับลูกน้องว่าหมดสนุกแล้วคราวนี้ฝากนายหญิงเล็กด้วยนะแล้วก็ถามว่าทำไมมืดอย่างนี้เขาปิดหน้าต่างปิดไฟฟ้าหรือลูกน้องก็สะกิดใจแล้วว่าต้องไม่ดีแล้วเพราะแสงสว่างออกจ้าสามีกลับบอกว่ามืด พอถามได้สักครู่ก็สิ้นใจตอนสิ้นใจเป็นเวลา9โมง40นาทีเป็นเวลาที่ตรงกันเปรียบกับฉันที่มีอาการรู้สึกประหลาดขณะที่อยู่ที่วางไกลกังวลและการเสียชีวิตของสามีที่เกิดขึ้นนี้ฉันได้สติและเพิ่งรู้ตัวว่าคำสั่งของหลวงพ่อพลิงที่พูดไว้นั้นได้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นแล้วอย่างชัดเจนที่สุดเพราะอะไรหรือ เพราะตลอดเวลา16ปีที่อยู่ร่วมกันมาทุกครั้งที่สามีกลับบ้านผิดเวลาซึ่งบางครั้งคอยกินข้าวด้วยจนรอไม่ไหวฉันไม่เคยคิดอย่างอื่นเลยนอกจากกลัวสามีเมาแล้วขับรถไปคว่ำจะตายโดยไม่ได้เห็นเพิ่งตระหนักในสิ่งมหัศจรรย์นี้ว่าเป็นไปได้จริงหรือที่จิตได้แช่งสามีมาตลอด16ปีโดยหารู้ตัวไม่ จบอีพีที่1 น, นะครับกลับมาติดตามอีพีที่2ได้ในเร็ววันนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติอีพีที่18ผลงานของอรสานน์วันนี้เสนอตอนวัดพระธรรมกายข้าวันหนึ่งประมาณ3ปีมาแล้วขณะฉันนั่งบนโซฟาและนั่งพิงหมอนปล่อยให้สมองว่างเปล่ามีได้นั่งสมาธิ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 ส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยอมรับฟังคำอธิษฐานของฉันและดนบันดาลจิตให้หมอผู้รักษาเลือกยาที่ถูกมาให้ฉันกินจนฉันหายภายในกำหนดฉันเพิ่มความเชื่อถือในจิตของตัวเองขึ้นมาอย่างลึกซึง้งและได้สัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้จะเชื่อฟังเสียงจากยานอันวิเศษนี้ไปตลอดชีวิต